หรือเพราะความเกลียดกระปีกันแน่กระปีไม่ได้ทำให้ลิงมีแผลไม่ทำให้ลิงเจ็บปวดแต่ความเกลียดกระปีต่างหากที่ทำให้ลิงมีแผลเลือดไหลออกมาความเกลียดกระปีทำให้ลิงเอามือถู ก, กระพินอยู่นั่นแหละกระปีไม่ได้ทำร้ายลิงความเกลียดกระปีต่างหากที่ทำร้ายลิงคนเราก็เหมือนกัน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 ถ้าเขาด่าว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณาตอบว่าด่ายังดีกว่าทำร้ายด้วยมือพร่องตรัสถามว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยมือจะทำอย่างไรพระปุณณาตอบว่ายังดีกว่าใช้ก้อนดินทำร้ายครั้นตรัสถามว่าถ้าใช้ก้อนดินทำร้ายจะทำอย่างไรพระปุณ้าตอบว่ายังดีกว่าใช้ท่อนไม้ทำร้ายตรัสถามต่อว่า